ฟังดูที่สมัยท่านอนาถบิทิกะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะบอกว่าไม่ค่อยได้พระูุยภาพไม่ค่อยได้แสดงธรรมะที่ลึกซึ้งให้ฟังใช่ไหมครับ เ, เพราะก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก่อนที่จะจุตินี่น ะ, ะก็ได้ได้ฟังจากภาษาลีบุตรใช่ไหมครับว่าเออเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง แล้วก็บอกว่าตลอดเวลามาไม่เคยได้ยินพระผู้อิภากจงเทศได้ฟังเ ค, อ, คอไม่ได้แสดงลึกซึ้งพิสดารขนาดนี้นะก็คือที่ที่ลึกซึ้งก็มีนะเช่นในในสังยุตติกายเนี่ยนะ ก, ก็แสดงปฏิจจสมุปาฏอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่จะมาฟังโหเรื่องตั้งขันธาตุเอ่อขันอายตนะนะเรื่องทิถังสุตังมุตั ง, ตงวิญญาต่างเรื่องอรูปเนี่ยนะนะเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้า นนะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเนื้อหาในานาถบินธิโกวาทสูตรเนี่ยรายละเอียดลึกซึ้งมากเวราะงั้นจากเนื้อหาที่กว้างขวางมากที่ที่ภาษาบุตรแสดงว่าไม่ให้ยึดถือเลยนะเพรา ะ, ะนั้นธรรมะในสูตรนั้นในนับว่ากว้างขวางแต่ว่าที่อื่นๆนี้ก็จะแสดงโดยย่อโดยสังเขปแต่อย่าลืมว่าในขณะเดียวกันนั้นานาถบินธิกานี่ก็เข้าวัดฟังธรรมก็บ่อยเพราในส่วนอื่นๆก็ฟังพอสมควรแล้วก็ครั้งแรกที่ได้พบพระ ผู้มีพระภาพพระองค์ก็แสดงอนุปุพิกถาและก็บรรลุเป็นพระโสดา บ, บันเพราะฉะนั้นนั้นก็นับว่าลึกซึ้งเลยนะว่าเป็นพระโสดา บ, บันได้นี่ไม่ใชไ่ไม่ซึ้งเน่นองนะอ่ะในที่บางสูตรนะทันยกไปสามสูตรแล้วใช่ั้ยสูตรที่หนึ่งมาจากคำภีธรรมบทสูตรที่สองมาจากธรรมบทสูตรที่สามาจากสังยุตตนิยและมัชฌิมนิย สูตรที่สี่ยกมาจากสังยุตติกายเหมือนกันนะในในบางสูตรนี้คือในหน้าแปดทรงแสดงไว้โดยเกี่ยวกับเป็นคุณมีศีลเป็นต้นศีลก็คือมีศีลเป็นต้นนะนะก็คือศีลปัญญาสมาธิวิริย ะ, ะเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดี ปรารบความเพียรมีตนอันส่งไปในการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ใครๆข้ามได้ยากอันนี้ก็เป็นคําธรรมะที่พระองค์แสดงกับภิกษุเอ่อกับเทวดานะทจริงไม่ไม่ต้องโยกคําว่าภิกษุก็ได้อาจจะกล่าวว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีปรารบความเพียรมีตนส่งไปในการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ใครๆข้ามได้ยาก คำว่าพูดถึงพร้อมด้วยศีลท่านอธิบายเลยว่าจะตุปาริสุทธิศีล น, นะความบริสุทธิ์แห่งศีลสีส่ประการปาติโมกสังวรอินทรียสังวรปัจญาสานิสิตศีลและอาชีวปาริสุทธิศีลคือถ้าจะพูดบรรลุมรรคผลนิพพานนะอย่างไรจะต้องจะตุปาริสุทธิศีลถ้าจะพูดสวรรค์กุศลกรรมบทรกรพ็พอศีลห้า <laughs> ศีลห้านะสวรรค์ก็ให้มีสุขติก่อนนะนะสุขติเป็นที่หวังก็ก่อนค้างว่ายังชั่วหน่อยถ้าสูงจริงมันก็ดีใจมันก็ไม่ไม่เสียหายอยู่แล้วถ้าหากว่าศีลจนถึงโหจตุปริสุทธิศีลยังไงก็ปิดอบายอยู่แล้ ว, ล, วล่ะนั่นะนะทีนี้ต่อไปนะว่ามีปัญญาคําว่าถึงพร้อมด้วยศีลคือจตุปริสุทธิศีลมีปัญญาก็คือมีปัญญาที่เป็นโลกิยะและโล กตระนะนะกรรม mente. สกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิฌานสมาทิทฐิมัติผลสัมาทิฏฐิโอเดี่ยวคนมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีก็คือสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยปัญญาใช่ไหมคือปัญญาเนี่ยนะมีอะไรบ้างหนึ่งกรรมสกตาปัญญาใช่ไหมกรรมสกตาสัมมาทิฏิวิปัสนาสัมมาธิฏฐิฌานสมาทิฏิมัติสัมมาธิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิผลสมาธิก็บวกเข้าไปปัญญานั่นแหละเอา เอกาตาเจตสิกที่เกิดร่วมกับปัญญาเหล่านั้นแหละท่านอธิบายง่ายดีนะเอาใหม่นะปัญญามีห้านะหนึ่งกัรมสกตาปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับกรรมสกตานนะต่อไปฌานะฌานะสมาธิาะะา ธ, เนนธิเพราะฉะนั้นสมาธิก็เกิดร่วมกับฌานอนั้นต่อไปวิปัสสนาสมาธิธิเพราะฉะนั้นสมาธิก็เกิดร่วมกับวิปัสสนามัค like. ค ส, สมาธิธิ สมาธิก็เกิดร่วมกับมรรคผลสมาธิทีสมาธิก็เกิดร่วมกับผลเพราะฉะนั้นมีจิตตั้งมั่นดีก็คือจิตสมาธิที่ประกอบกับปัญญานั่นแหละปรารบความเพียรปรารบความเพียรก็เพียรอย่างไงเพียรกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรสังวรระวังไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นเพียรที่จะเจริญกุศลแล้วก็เพียรภาวนา พ, พ่อภูมกุศลรักษากุศลที่เจริญไว้แล้วนั่นแหละการที่เรียกว่า ส, สัมมาประธานนั่นแหละมีตนอันส่งไปในการทุกเมื่อเขาบอกว่ามีตนอันส่งไปเนี่ยนะประหิตตัดโตนี่หมายความว่าไม่เพ่งเล็งในร่างกายและชีวิตเนื้อเลือดจะเหือดแห้งกว่าช่างมันเถอะเหมงอนนไม่เสียดายเหมงอนนมุ่งกุศลธรรมเ่าเนี่ยนะจะ ก, กระโดดให้พ้นเลยนะให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ให้ได้สละชีวิตเหนนเถอะสละร่างกายและชีวิตด้วยนะ มันจะพายพร้อมจะเหือดแห้งยังไงก็เอาหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้ย่อมข้ามโอคะที่ใครๆข้ามไดย้ยากนะสามารถที่จะข้ามกามโมคะทิทโคะพวคะและอวิโชคะนะเราพูดนี่เหมือนกับว่าหม่ฟังอย่างนี้แล้วจะไปเดินจงกลมให้เท้าแตกเลยนะอย่างนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้ว่ากิเลสมันเป็นยังไงเลยเนาะข้อความตรงนี้นะมีมีแตกต่างกันนิดหน่อยครับมีตนอันส่งไปในการทุกเมื่อ กับมีข้อความบางข้อความที่บอกมีจิตอันส่งไปเกิดินนะครับคือถ้ามีจิตอันส่งไปก็คือเอาจิตเนี่ยเป็นไปกับกุศลนั่นเองแต่คําว่าตนนี่นะตนตัว น, นี้เป็นชื่อของจิตนะครับตอนอันนี้เป็นตอน อ, อันนี้เป็นจิตจิตที่เป็นไปกับกุศลธรรมพอกภูนเรื่อยๆนะจนถึงกับจิตอันนั้นเป็นไปมรรคจิตพลจิตอ่ะ เป็นจิตที่เจริญงอกงามในกุศลธรรมจิตอันนี้ไม่มีโลภะมาเยื่อใยในร่างกายและชีวิตแทรกในนั้นเลย น, นะเป็นกุศลจิตที่สืบเนื่องกันไปอย่างเดียว น, นะเขาเรียกว่ามีตนส่งไปแล้วตนในทีนี้ได้แก่จิตนะก็คื อ, อปะหิตะบวกอัตตะเนี่ยนะปะหิตะโตเนี่ยนะมีตนอันส่งไปแล้วเนี่ยอัตตานตรงนี้แต่อัตตาในทีนี้หมายถึงจิต อันนสงจิตไปตามสมถะและวิปัสสนาไปตามศีลสมาธิปัญญาจนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานจิตอันนั้นไม่มีกิเลสไปไปเจือปนทําให้เยื่อใยในร่างกายเยื่อใยในชีวิตไม่มีเลยอ่ะนะเรียกว่าคนที่จะถึงฝั่งเลยนะไม่เยื่อใยในอย่างอื่นสักอย่างเลยนะก็บอกว่าดูแล้วนี่เรือผุผูเน่าเน่าเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าเอ๊ะมันใกล้จะถึงฝั่งเนี่ยทิ้งเรือว่าเลยถึงฝั่ง แต่ทีนี้ถ้าหากว่าอยู่ท่ามกลางหมหาสมุทรเนี่ยนะจะทิ้งเรืออย่างเดียวเลยนะจะว่ายไปไหนล่ะคะนี่อันนี้ตรงกับอัตตสัมมาปณิธิหรือเปล่าครับก็อัตตาสัมมาปณิทิอย่างหนึ่งอัตตาสัมมาปณิทิกว้างกว่านี้นะกว้างกว่านี้เช่นคนไม่มีศรัทธาตั้งให้มีศรัทธาไม่มีศีลตั้งให้มีศีล ไม่มีสุตตะไม่มีจาระฆไม่มีปัญญาก็ตั้งให้กุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นมีความเพียนน้อยก็ตั้งให้มีความเพียนตั้งให้มาเล่ยเลือดแห้งเลยกันเถอะเจริเรียกว่าอัตตาสมาปนิธิอย่างไรเจญพแต่ว่าอันนี้เป็นอัตตาสมาปนิธิแบบสูงสุดนะในคาถาเนี่ยตามตามได้ในจันทนสูตรเจริญพรเล่มที่ยีิบสี่เล่มยีนะข้อสองร้อยเจิญพรจันทนสูตร ก็บอกว่าคนที่จะข้ามโอฆาโอฆานี่ี่ใช่ไหมโอฆาคือกาโมฆาไม่ไม่น่าเชื่อนะโลภะที่เกิดในจิตเราเนี่ยเรียกว่าห่วงน้ําคือโอฆาโลภะอนี้เท่ากับห่วงน้ําแล้วก็พรโอคะโอฆาคือโลภะที่โลภะวิประยุทธ์นั่นนะแล้วก็ทิโฆคะทิฐิก็เป็นโอฆาอย่างหนึ่งแต่ที่อ่ะไอโอฆาที่น่ากลัวมากก็คือวิโชคะโอฆาคือความไม่รู้เนี่ยนะมันปกปิดหุ้มห่อเนี่ยน่ากลัว เพราะฉะนั้นก็จะข้ามโอฆ่าทั้งสี่โอฆ่าสี่เนี่ยติดอยู่ที่ไหนก็อยู่ในสังสาระนี่แหละโอฆ่าสี่เนี่ยนะห่วงน้ำก็ท่วมทับสัตว์ให้อยู่ในสังสาระคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะเป็นไปนะถ้าพูดถึงชีวิตของเราที่เป็นไปสืบเนื่องทุกวันนี่น่ากลัวไหมนะถ้ามองแบบเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไ นนะก็คือชีวิตวิถีชีวิตประจำวันเราก็พอมองเห็นเห็นกันอยู่แล้วนะก็ดูไม่น่ากลัวมากนะแต่ถ้าหากว่าเอาเรื่องกรรมมาเพ่งให้มากๆว่าเจตนากรรมที่เป็นไปในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสมควรจะให้ผลไปที่ไหนถ้าคิดลักษณะนี้มากๆเออน่ากลัว น, น, น, นะนเจนทรานสสมาฮิโตนี่เป็นชื่อของสมาธินั่นเอง ว่าได้ฌานด้วยไหมฌานหนึ่ง ถ, ถ้ า, าถ้าได้ฌานก็ดีแต่ว่าคือกว้างอะนะทั้งถ้าวิปเกิดถ้าสมาธิเกิดร่วมกับวิปัสสนาเป็นคณิกสมาธิสมาธิที่เป็นไปกับสมถาวิปัสสนาสมถะก็เป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแต่ตรงนี้เนี่ยน ะ, เ, ะเป็นคําสอนที่แสดงทั้งโลกิยะและโลกุตระเป็นกุศล ท, ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ เพรโลกุตระธรรมเนี่ยนะคืออริยมรรคจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ค่อนข้างมากคือทั้งกุศลทั่วไปศีลกุศลสมถากุศลแม้กระทั่งกุศลประเภทการฟังการสนทนาอย่างอื่นเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคําว่าปัญญาเนี่ยหมายนับตั้งแต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการสนทนาเป็นต้น น, นะนะเกื้อกูลในการที่จะให้โลกุตระมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะ แต่ว่าคําสอนอย่างนี้แสดงทั้งโลกิยะและโลกุตระถึงแสดงโลกุตระอย่างไรก็ดีเบื้องหลังของโลกุตระอันนั้นก็คือโลกิยธรรมซึ่งเป็นมหากุศลนั่นแหละก็แล<อ>้วแต่เราจะสรุปนะเรียกมรรคก็ได้เรียกไตรสิกขาก็ได้เรียกสติปทานก็ได้สัมมาปทานอิทิบาตอินทรีย์พร ะ, ระโพชฌงเรียมกเรียกได้หมดนะอันน ตามอัธยาศัยเหมือนกันไหไก็เรียกเยอะๆนี่แหละมันทำให้ศึกษาสับสนอ่ะนะแต่พอเข้าใจแล้วสบายเลยอนะยังนึกได้สมัยที่ไปที่ที่วัดที่น้องปิงเนี่ยวัดนั้นเนี่ยมันเข้ายากที่สุดเลยนะซอยมันเยอะ โ, อโหเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้นะเจ้าถิ่นเขานะก็บอกว่าเขาไปตรงไหนเขาถึงน้องปิงหมดเหมือนกันเลยซอยมันเยอะนะเพราะว่าเขารู้จักเส้นทางไงไหม ไอ้เส้นเยอะๆเนี่ยคนใหม่ๆไม่ค่อยชอบแต่คนที่อยู่นานๆเนี่ยชอบศึกษาธรรมะก็เหมือนกันนะคนใหม่ๆอย่างหนึ่งสองสามันง่ายๆอ่ะแต่คนนานๆเข้านี่เออมันแยกย้ายได้ไหมยักย้ายได้ไห ม, ไไมเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันมีกว้างขวางกว่านี้ไหมอะไรไหมก็จะชอบไปเรื่อยมันก็ต้องดูว่าคนใหม่หรือคนเก่านะแต่ว่าคำพีเนี่ยท่านแต่งปารลถึงข้อความที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลนิพานเพราะฉะนั้นท่านแต่งในลักษณะรวบรวมเรียบเรี ย, รยงคําสอน เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รักษาศรัทธาทั้งคนใหม่และคนเก่าด้วยนะถ้าคนใหม่ถ้ามีศรัทธาฟังก็ไม่ไม่ยากข้อที่ห้าเลยนะเผื่อจะได้จบบ้างะนะยกคำว่าวิสุทธิมัควันนี้เรียนคำเดียววิสุทธิมัคในบางสูตรทรงแสดงไว้โดยเกี่ยวกับโพธิปักจิยธรรมมีสติประญาเป็นต้นเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสใน ข้อความจากสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตรทีคณิกายหรือว่ามัชฌิมนิกายเป็นต้นนะนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายมัชมัชคือทางนี้เป็นทางสายเดียวเอกายโนโอายังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิญาเน่ยนะนะทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะนะเพื่อก้าวล่วงโซกะปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาตใช่ไหมเพื่อ เพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งมักหรือทางนี้ก็คือทางสายเดียวคือสติปัฏฐานสแต่เขาบอกว่าโพธิปัจขิยธรรมนะตรงนี้ยกสติปัฏฐาน4เพราะสะนั้นเปลี่ยนแบบฟอร์มเป็นสมะปัฏฐานก็ได้อิติบาทอินระะทรีย์巴拉โพดชงเรียมักมีองแปดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทนก็ได้แต่นี้ยกเฉพาะสติปัฏฐานอย่างเดียวแต่ว่าโพธิปัจขิยธรรมที่เหลือก็กล่าวไว้ ส่วนคําว่าเอกายโนยังเพฆเวมัคโคสัตตานาังวิสุทธยานิคงจะได้ศึกษากันในชั้นของสติปทานสูงนะ น, นะเพราะว่าถ้าพูดหมดนี้มันจะจบไม่เป็นเหมือนกันทีนี้ที่น่าสนใจเขาบอกว่ามีาแม้ในโพธิปัจขยธรรมที่เหลือมีสมัมมปทานเป็นต้นก็มีในนี้สมัมมปทานเป็นต้นเนี่ยคำว่าต้นเนี่ยก็คือแปลว่าแสดงว่ามีต่ อ, อใช่ไหมไอ้ที่ต่อ น, นั่นนะคืออะไร อ่ะนะที่ต่อ น, นั้นนะใช่ส ม, มัชระทานหรือเปล่าส ม, มัชระทานอิทธิบาทอินทรีพระละโภชงอริยมักไหมไม่ใช่นะอา่าตรงนี้ดีกาท่านพูดดีอาที่ศัพท์นะอาที่ศัพท์เนี่ยแปลว่าเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นเนี่ยในบทว่าส ม, มัชระทานอาทีสุในธรรมะทั้งหลายมีส ม, มัชระทานเป็นต้นพึงทราบ การสงเคราะห์ธรรมะทั้งหลายมีความยินดียิ่งในความไม่ประมาทเป็นต้นะ น, นะคือพระสูตรธรรมะแนวนี้ยังมีอีกเยอะอะ น, นะดีกาท่านให้ในอีกสูตรหนึ่งมาอีกอ น, นะจากข้อความในคาถาธรรมบทอะ น, นะว่าจริงอยู่ในที่บางแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงวิสุทธิมรดกโดยเกี่ยวกับธรรมะมีความยินดีในความไม่ประมาทเป็นต้นดังที่ตรัสไว้ว่า ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทไม่ควรเพื่อความเสื ment, in in so all, ่อมย่อมตั้งอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ยินดีในความไม่ประมาทเนี่ยนะเห็นโทษเห็นภัยของความประมาทคนนั้นแหละไม่ควรเสื่อมวางั้นเถอะไม่ควรเพื่อเสื่อมเขาจะไม่เสื่อมเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทอย่างนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้พนิพพานคนที่ไม่ประมาทคือคนอย่างไร คือคนที่เจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องนี่นะคนที่เจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขยักขย่อนคนประมาทคือคนอย่างไรคนที่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้ง5เรียกว่าคนประมาทนะคนที่ทำกุศลอย่างไม่ต่อเนื่องนี่นะก็เรียกว่าคนประมาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาตก็คือคนที่สามารถเจริญกุศลรักษากุศลนะให้กุศลเหล่านั้นเพิ่มพูนพอกพูนเป็นไปได้อย่างมากนี่เรียกว่าไม่ประมาท อันนี้ท่านสงเคราะห์สำหรับบรรพชิตโดยเฉพาะเลยถ้าข้อความมันนี่ครับคารวะว่าตาไม่คยร้อนนึกไงกรู้นะถวายพระหมดเลยเป็นความจริงหรือเปล่าครับก็พระภิกษุเนี่ยนะคำว่าภิกษุในลักษณะนี้ท่านเน้นผู้เห็นภายในสังสารวัตรคือภิกษุโดยสํานวนวินัยกับพระสูตรนี่แตกต่างกันเลยภิกษุในสํานวนพระสูตร หลายแห่งเ น, เน้นถึงผู้ที่เห็นภายในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นคารวาสก็เป็นภิกษุเหมือนกันนะคารวาหรือเทวดาทั้งหลายก็เรียกว่าภิกษุในฐานะผู้เห็นภายในสังสารวัตนะนะแต่ถ้าภิกษุในพระวินัยคือผู้ขอผู้ประพฤติพิขาจาริยวัดผู้ทรงผืนผ้าอันขาดหรือว่าผู้ที่บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาบวช ด, ด้วยยติจตุทกรรมมาวาจาเป็นพระภิกษุที่ เป็นเสขะเป็นอเสขะเป็นปูนเถะนวกะรมชิมะหรือเป็นปูนเถระเป็นต้นนั้นก็เรียกว่าภิสูจเหมือนกันแต่นั้นพิสูจโดยนัยยะแห่งพระวินัยส่วนพิสูุส่วนใหญ่โดยนัยยะแห่งพระสูตรนั้นเนี่ยเรียกว่าผู้เห็นภายในสังสารทุกขผู้เห็นภายในขันธาตุอายตนะเป็นต้นน่นนะก็เป็นที่สูตเหมือนกันนะนะ ก็ทำตามกําลังความสามารถของใครก็ตามยถาสติยถากําลังมานสิกรโรมอย่าลืมว่าการทํากุศลติดต่อกันเนี่ยเรากราบนี่ง่ายมากแต่ว่าพูดถึงจริงจริงๆแล้วนะเพศที่อยู่ในสมมักหรือบัณฑิตเนี่ยอันนี้เพศคําว่าภิกษุกับคาว่าเพศแตกต่างกันนะคำว่าภิกษุบางทีก็เน้นที่คุณธรรมเอาเป็นว่าผู้อยู่ในบรณฑิตเนี่ยเพศบรรณชิตเนี่ยนะครับ จะมีโอกาสทำได้มากเนี่ยกำลังคิดว่า<ต>จะมีพิสุเพิ่มหรือเปล่าเ <พอ S 1> นี่ยตามกำลังจะมีพระพิกสุเพิ่มหรือเปล่านะพุ่งนี้เนี่ยไม่แน่ก็ไม่แน่ครับนอันนั้นในคำว่าวิสุทธิมรัก์เนี่ยท่านยกมาห้าห้าแห่งนะดีกาเพิ่มให้อีกแห่งหนึ่งเป็น6แห่งเพราะฉะนั้นในคำว่าวิสุทธิมรัก์จากข้อความในพระไตรปิฎกต่างๆ ในวิสุทธิมักในคำพีนี้ยกข้อความที่เป็นศีลสมาธิและปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็วันนี้ข้อสามก็จบพอดีเลยนะ